เรื่องพระติสเถระห่วงจีวรเกิดเป็นเล่นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในเชตวันทรงปรารภภิกษุชื่อติสเถระดังได้สดับมากุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีบวชเล้าชื่อติสเถระพระเถระเข้าจำพรรษาในวิหารชนบทแห่งหนึ่งได้พาเนื้อหยาบแปดอก พี่สาวเห็นว่าผ้าเนื้อหยาบได้เอาไปโคลกสางดีกรอปั่นให้เป็นได้ละเอียดทอเป็นผ้าสาดกเนื้อละเอียดประมาณเก้าซอกฝ่ายพระเทระได้เอาผ้าเนื้อละเอียดนั้นไปตัดเป็นจีวรเสร็จแล้วได้จีวรสวยท่านเยื่อใหญ่ในจีวร น, นั้นว่าในวันพรุ่งนี้จะห่มจีวรจึงพับผ้าไวในราตรีนั้น ท่านตายด้วยอาหารเป็นพิษไปเกิดเป็นเลนที่จีวร น, นั้นนั่นเองฝ่ายพระอานนุนเก็บผ้าจีวรเพื่อจัดแบ่งแกสงได้นำเอาจีวร น, นั้นออกมาเลนวิ่งร้องข้างโน้นข้างนี้ว่าภิกษุแย่งจีวรของเราพระศาสดาทรงสดับเสียงเลนร้องด้วยทิปโสตธาตุจึงตรสัส บ, บอกให้พระอานนุนเก็บจีวรไว้ก่อนเจ็ดวันค่อยนำไป ในวันที่8เลนทำกาละคือตายแล้วไปเกิดในวิมานชั้นดุสิตพระสัสดาจึงให้นำเอาจีวอนไปแบ่งแก่สงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายติดสะเกิดเป็นเลนที่จีวอนของตนเมื่อภิกษุถือเอาจีวอนเขาขัดใจแล้วพึงเกิดในนรกเพราะเหตุนั้นจึงให้เก็บจีวอนไว้เจ็ดวัน บัตรนี้เข้าไปบังเกิดในวิมานชั้นดุสิตแล้วเพราะอา น, นิสงแห่งการบวชเหตุนั้นเราจึงอนุญาตให้ถือเอาจีวร น, นั้นแก่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าตัญหาเป็นของหยาบคายสนิมตั้งขึ้นแต่เนื้อในเหล็กย่อมกัดเหล็กนั่นเองเหล็กย่อมพิหน้าฉันใดตันหาก็เหมือนกันฉันนั้นเกิดขึ้นแต่ภายในของสัตว์ ยอมให้สัตว์เกิดในอบายมีนรกเป็นต้นให้ถึงความพินาศ ด, ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็กครั้นตั้งขึ้นแล้วย่อมกัดเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมทั้งหลายของตนย่อมนำบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาไปสู่ทุกขติฉันนั้น อธิบายคำว่าผู้ประพฤติล่วงปัญญาความว่าบุคคลผู้ไม่พิจารณาใช้สอยปัจจัยสี่มีเสนาสนะที่อยู่อาศัยอาหารเสื้อผ้ากีฬาณเพสัตวบริคารชื่อว่าประพฤติล่วงปัญญาย่อมไปสู่ทุกขติในการจบเทศนา จนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ